เดี๋ยวเปิดเทอมแล้วเนี่ยถ้ามาสายอีกตื่นเช้าให้วิ่งรอบศูนย์สามรอบเพื่อเตือนสติให้มีวินยัยและเรื่องที่สองก็มาดูได้ครึ่งเรื่องถ้าเรามีวินยัยเราจะพลาดโอกาสเนี่ยสองเรื่องนิรวมกันแค่10บกวนาทีอย่างญาติที่ทำมาใหม่บางทีเขาไม่รู้นะพอเข้ามาใหม่ปุ๊บม า, ป, บมาปุ๊บมาถึงกลางคันนี่งงไม่หมดเลย เราต้องมาก่อนเวลาแล้วก็เตรียมพร้อมแล้วพอเริ่มต้นปุ๊บเราได้ยินตั้งแต่แรกเลยว่าให้ทําอย่างไรนะคนเราบางทีสําเร็จไม่สําเร็จอยู่ที่การจับประเด็นมันตั้งแต่แรกเนี่ยถ้าเกิดว่าเราคิดว่าเออเรามีโปรแกรมนี้จะมาแล้วต้องเคลียร์ทุกอย่างปุ๊บต้องมาให้ทันเวลาเรายังไม่รู้หรอกว่าประชุมตรงนี้มีอะไรบ้างแต่เรามีหน้าที่ทําให้มันทันเวลาเนาะ อันนี้พอกูก็นเน้นอยู่แล้วไม่ใช่มาเพราะว่าถูกบังคับให้มามาอย่างนั้นนะก็ต่อไปต้องฝึกนะฝึกให้มีวิ น, นัยเอาเรื่องหลังก่อนเด็ <c oughs> กที่เราเรียกออทิสติกอันนี้เกี่ยวกับเรื่องคุณครูนะทุกคนไม่เข้าใจเพื่อนฝูงก็บอกว่าติงตองหรือเปล่าปัญญาอ่อนหรือเปล่า ถ้าครูไม่ใส่ใจเนี่ยครูจะไม่เห็นช้างเผือกครูก็สอนไปอย่างนั้นแหละใครก็ช่างสอนพอดีฉันสอนจบแล้วไอคนที่มันไปไม่ได้มันก็คือไปไม่ได้ตลอดเวลามันไม่ทันไอที่มันเลยแล้วมันก็เบื่อเบือ่อเนี่ยหลักสูตรการศึกษาที่เป็นหลักสูตรเดียวนี่ยัดเยียดให้กับทุกๆคนเด็กไทยถึงเป็นแบบนี้ไงนะ ถ้าครูใส่ใจครูจะรู้ลว่าเอออันนี้มันอ่อนนะต้องทำอย่างไรใช้เทคนิคอะไรที่ทำให้คนอ่อนเนี่ยเขาพัฒนาได้เฮ้ยไอยคนนี้เนี่ยไอคิวมันเกินแล้วเนี่ยเก็บังคับให้มันเรียนตามคำสั่งเนี่ยนะมันก็เบื่อแล้วเป็นการดึงมันไว้เด็กพลาดโอกาสในการแสดงศักยภาพนี่คือการศึกษาที่เอาหลักสูตรเดียว ยัดเยียดให้คนทุกคนในประเทศให้มันโง่เหมือนกันนะอันนี้ถ้าครูใส่ใจเดี๋ยครูจะเห็นเลยว่าเด็กๆทุกคนเนี่ยมีไอคิวไม่เท่ากันอุปนิสัยไม่เหมือนกันไอการที่จัดหลักสูตรหรือว่าวิธีสอนที่ว่าตายตัวเลยเนี่ยทุกคนต้องทําตามคําสั่งเนี่ยนะมันไม่ได้ผลนะแล้วเด็กก็เครียดมากพอครูไม่ได้ดั่งใจครูก็เครียดอีก นะอันนี้ น, นี่ประเด็นนี้สําคัญมากนะออลูกฝาแฝดเกิดมาดีเอเหมือนกันเลยไอ้ น, นี่ขี้แย น, นี่ไม่ขี้แยไอ้ น, นี่ไอคสูงก็ น, นี่ไอคต่ำเห็นไหมไอ้ น, นี่แข็งแรงนี่ไม่แข็งแรงขนาดพ่อแม่เดียวกันมันยังไม่เหมือนกันเลยไอยความคิดที่คิดว่าจะยัดเยียดให้ทุกคนเนี่ยเป็นหุ่นยนต์เหมือนกันเลยมันจึงเป็นความคิดที่ผิดทีนี้หลายปีมา ปัญหาโรงเรียนเราสําหรับพ่อครูนะไม่ได้เจอปัญหาเพราะมันไม่มีงบไม่มีเทคโนโลยีไม่มีอาคารเรียนเด็กต้องนั่งตากแดดตากฝนนะไม่มีเงินทุนไม่ใช่ปัญหานะปัญหาของเราเนี่ยพ่อครูปั้มกับกระทรวงศึกษามาตลอดแล้วตอนนี้ก็พิสูจน์แล้วว่าการศึกษานโยบายจากส่วนกลางที่สั่งมาเนี่ยมันล้มเหลวเด็กทั้งประเทศเนี่ย แก่ไปวันวันหนึ่งพลาดโอกาสไอ้ที่เก่งที่สุดก็ไปนั่งอ่านอ่แล้วก็ท่องจำเก่งเฉยบอกได้เขียนนิยมอันดับหนึ่งทำอะไรก็ไม่เป็นนี่คือความล้มเหลวของการศึกษาของชาติทุกคนก็รู้รู้กันยังแก้อยู่ก็เอาใครไปแก้ก็เอาไอ้คนที่มันความคิดแบบเก่าๆเนี่ยมันก็มาแก้น่ะมันก็เปลี่ยนเหมือนเราพายเรือเนี่ยพายซ้ายมาเปลี่ยนพายขวาเฉย มันก็เหมือนภายเรือในอ่างเหมือนเก่าเพราะมันขาดปัญญานะมีอัตตาตัวตนเรื่องนี้เห็นไหมถูกเรียกว่าปัญญาอ่อนเขาถามว่าปีไหนปีไหนวันเดือนปีนี่วันอะไรทำไมเขายืนหมุนรอบโต๊ะหรือไมยจิตมันหมุนตลอดนั่นนั่นนี่มันหมุนตลอด คือเด็กพวกนี้เขาจะไม่มองอะไรเหมือนเด็กเด็กปัญญาอ่อนคือว่าไม่กล้าคิดนอกกรอบ น, นั่นแหละคือปัญญาอ่อนเขาสั่งอะไรทำตามก็หมดนั่นแหละอันนั้นคือเด็กปัญญาอ่อนอันนี้ไม่ใช่ปัญญาอ่อนเนี่ยอันนี้เด็กอัจฉริยะแหละแต่ว่าเราเราต้องการให้หนึ่งสองสาต้องการเด็กว่านอนสอนง่ายฟังปุ๊บมันฟังเราเราเหลียกว่านั่นแหะเด็กดี แต่ไม่ได้แปลว่าปัญญาอ่อนหรือปัญญาแข็งดีในในยตะที่เราต้องการเราพอใจถ้าถูกเด็กเถียงหน่อยหนึ่งอุ้ยฉันไม่พอใจถือว่าเด็กไม่ดีไอเด็กไม่ดีที่เราหมายถึงเด็กไม่ดีมันอาจจะอชยะก็ได้เพราะมันถึงกล้าทวนกระแสะเรานะเขามีปัญญาอยู่แล้วอันนี้คือจิตเดิมเขานะนั่นแหละ ถ้าคุณครูไม่พยายามเข้าใจตรงนี้เนี่ยคุณครูก็ทุกข์ง เ, ออเราไม่พยายามเข้าใจเด็กเราพยายามให้เด็กเข้าใจเราหนึ่งคำสั่งทุกคนต้องทำตามเหมือนกันหมดอย่างนี้นะนะคือเราไม่เข้าใจความจริงตั้งแต่เกิดมามันก็ไม่เท่ากันเลยนะไม่เท่ากันแม้กระทั่งผู้ใหญ่เนี่ยครอบครัวเดียวกันรักกันไงถึงแต่งงานกันไงถ้าไม่รักแต่งงานทำไมพอแต่งไปปุ๊บ เริ่มเบื่อแล้วแล้วก็ผู้ชายก็เจ้าชู้นะอันนี้ก็เมียเก่าอันนี้ก็เมียใหม่มีเมียใหม่ทําไมรู้ไหมก็เมียมันเก่าไงเขาเบื่อของเก่าเขาไปเอาเมียใหม่ไงเพราะเมียมันเก่าไงมันรถยนต์เก่าๆเนี่ยฉันไม่ชอบฉันก็ไปเอารถยนต์กันใหม่ไอความคิดทุกคนใน น, นี้มันเป็นแบบนี้ทั้งหมดก็คือว่าเรารักกันแต่เราไม่เข้าใจกัน ตอนที่รักกันมันมองไม่เห็นหรอกมันเอาแต่อารมณ์มันชอบมันรักกันพอมันเบื่อมากลายเป็นเมียเก่าแล้วมันก็ไปหาเมียใหม่เพราะเมียมันเก่าไงนะเพราะเราไม่ยอมรับความเป็นจริงว่าในครอบครัวหนึ่งอ้าวพ่อแม่ลูกสามคนก็รักกันมากเนี่ลูกเราเองน่ผัวเราเองเมียเราเองทาไมจะไม่รักล่ะทีนี้มันเป็นยังไงสามคนนี้มันเป็นยังไงน้าแก้วหนึ่งเนี่ย เอาทรายเทลงไปก็ไปอยู่ข้างล่างเอาน้ำมันเทลงไปก็ลอยอยู่ข้างบนเอาเกลือลงไปก็อยู่ข้างบนทรายเห็นไหมขนาดพ่อแม่ที่รักกันอยู่ด้วยกันแล้วก็ลูกนะลูกของเราเองแต่คนหนึ่งเป็นทรายคนหนึ่งเป็นน้ำมันคนหนึ่งเป็นเกลือคุยกันไม่รู้เรื่องไอ้ทรายบอกว่าไอ้น้ำมันมึงเป็นบ้าไปตากแดดอยู่ข้างบน ไอ้นำมันอมึงน่ะบ้าอยู่ข้างล่างไม่มีอากาศหายใจเห็น ไ, ไหมไอ้เกือบอกว่าสองคนมึงอ่บ้าหมดอ่ะนะผู้อยู่ตรงกลางดีที่สุดคนรักกันคุยกันไม่รู้เรื่องทะเลาะ บ, บอกแหว่งกันจนอย่าล้างกันจนบ้านแตกสลกขาดเด็กๆ ก, ก็กลายเป็นเหยื่อสังคมนะทีนี้ไอล้ลัทธินี่กลายว่าต้องการให้ทุกคนเท่าเทียมกันเหมือนกันกลัวได้เปรียบเสียเปรียบมันก็คนใหญ่เลย มันคุณหมดเลยไอ้แก้วน้ํำใบนี้ก็คุณไปหมดเลยนะคุณหมดในครอบครัวเนี่ยคุณหมดคุณคล้องมองใจกันพอเอาไปตั้งทิ้งไว้มันก็ตกตะกอนเหมือนเก่ามันไม่เหมือนกันตั้งแต่เกิดแล้วมึงจะให้มันเหมือนกันได้ยังไงวิธีอยู่ร่วมกันอย่างสันติเสรีเนี่ยโดยเฉพาะองค์กรหนึ่งมีสองคนขึ้นไปเนี่ยองค์กรครอบครัวนี่ถือว่ามีพื้นฐานของความรักเราถึงมาแต่งงานกันมีลูกมีเต้ากันไง ยังบางทีคุยกันไม่เรื่องถึงอย่าล้างกันตอนนี้ปริมาณอย่าล้างมากขึ้นทุกทีไปตามแบบฝรั่งเราทําแบบฝรั่งไม่ได้นะเพราะสังคมเราไม่พร้อมที่ฝรั่งเมื่อไม่พอใจโอเคอย่าล้างกันไม่เป็นไรไงรัฐสวัสดิการเขาดีไงผู้หญิงก็ไป่เนห่วงฉันทํางานฉันไม่เลยแพ้ผู้ชายด้วยเห็นไหมเออฉันเลี้ยงลูกเองได้หรือว่า ไม่มีอะไรอยู่ก็เอาลูกไปฝากสถานที่ดี่เขาดูแลเราเสียภาษีเขาก็ดูแลเราแต่สังคมไทยไปเอาแบบฝรั่งไม่พอใจกูก็อย่าล้างเลยเนี่ยเด็กก็กล า, ายเป็นเหยื่อคนแก่ถูกทอดทิง้งเพราะเราเอาความคิดแบบโง่เขาที่คิดว่าทุกคนต้องต้องเหมือนกันเท่ากันครอบครัวหนึ่งคุณพ่อชอบดูหนังฝรั่งคุณแม่ชอบดูหนังไทยคุณลูกชอบดูการ์ตูนมีโทรทัศน์เครื่องเดียวมึงเถียงกันอยู่ตรงนั้นแหละ เอาแล้วทำยังไงล่ะผ่าโทรทัศน์เป็นสามเครื่องได้ไหมเพราะว่าเราให้กันไม่ได้วิธีอยู่ร่วมกันต้องยอมรับในความแตกต่างนะเออซายมันก็เป็นอย่างนั้นแหละน้ำมันก็เป็นอย่างนั้นแหละเกลือก็เป็นอย่างนั้นแหละยอมรับในความแตกต่างคนที่เหนือกว่าเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่คนที่ด้อยกว่านั่นแหละสังคมอยู่ด้วยกันได้ศูนนี้ไม่มีกติกา ไม่มีข้อ บ, บังคับไม่จต่ข้อหนึ่งเราอยู่แบบครอบครัวใหญ่เห็นไมเมื่อกี้พ่อครูก็เอาเหตุการณ์แบบนี้ปึ๊บเออน้องเนนมาปึ๊บก็สอนเลยเห็นหเรามาไม่ทันเราไม่ดูช็อตแรกละช็อตที่สอนก็มาถึงครึ่งทางเห็นไแล้วทุกคนเ้ารออยู่จะให้เรารีพีทไปอีกได้ไหมเราก็พลาดโอกาสแล้วนี่ยกตัวอย่างให้ฟังก็เตือนกันนะก็เตือนเตือนแล้วก็ปรับปรุงไปเราอยู่ร่วมกันอย่าง ไม่มีปัญหาเราเขียนกฎิกาฑมีกฎหมายมีอะไรอะไรเต็มไปหมดเลยนะในเมืองเนี่ยตำรวจเต็มบ้านเต็มเมืองอายการศาลศาลเยอะที่สุดในโลกคือเมืองไทยทะเลาะ ก, กันทั้งบ้านทั้งเมืองแล้วก็กฎหมายมีแล้วไงทำไมคุยกันไม่รู้เรื่องที่นี่ไม่ต้องมีกฎเกณฑ์เราอยู่กันแบบครอบครัวใหญ่นะ คุณแม่ชีหลวงพี่มีหน้าที่ดูแลเด็กๆ เ, เขาก็เหมือนลูกเราคุณแม่ชีต้องเป็นแม่พระหลวงพี่ต้องเป็นพ่อพระเพราะครูเป็นทั้งพ่อทั้งครูก็ดูแลหมดลูกหลานเราทุกคนเราดูแลคนไหนเจ็บไข้ได้ปว่วดนิสัยยังไงไม่มีเรื่องแต่ถ้าเราอยู่แบบกฎเกณฑ์กติกาสิทธินี่ทุกคนเรียกร้องสิทธิจนลืมหน้าที่ทะเลาะ ก, กันทั้งบ้านทั้งเมืองเห็น ไ, ไหม เพราะเราไม่มีคุณธรรมคุณธรรมเรามีเกิดมาก็มีแต่เราถูกความรู้ผิดมันครอบไว้คุณครูถ้าไม่ระวังตัวนะเพราะครูไม่อยากเห็นโรงเรียนศูนย์พระลานข่อ ย, อยกลายเป็นระบบราชการช่วงหลังสงสัยรูครูขีดจัดอบรมอะไรเลยไม่กล้าใช้เสาวทิศเลยเพราะเก่งใจคุณครูเป็นวันหยุดถ้าเป็นพ่อครูไม่วันหยุดนั่นแหละต้องมาอบรมคุณครูชีไม่กล้าทำํำ เหมือนข้าราชการถ้าขึ้นแบบนี้แล้วเนี่ยเราทำอะไรก็ไม่สำเร็จหรอกมันไม่มีอารมณ์มันไม่มีบรรยากาศเกี่ยวกับจิตอาสาไม่มีบรรยากาศ ก, การการให้การเสียสละทุกคนเรียกร้องสิทธิ์ตามมันจะไม่ค่อยทำหน้าที่กันมันสมบูรณ์เท่าไหร่ถ้าบรรยากาศแบบนั้นองค์กรไหนก็ไม่สำเร็จระบบราชการเราเนี่ยเพะเลยเพเพ ะ, เพ ะ, เพะมีบทลงโทษอะไรเลยแล้วเป็นยังไงหะตุ่มเปะนะ สมัยก่อนพี่มีนักการเมืองก็บ่าดานักการเมืองไม่ดีอะไรตอนนี้ไม่มีนักการเมืองเลยเนี่ยก็คอร์รัปชันกันเต็มบ้านเต็มเมืองนั่นแหละคิดแบบราชการคิดแบบว่าถ้าได้ก็ดีถ้าเสียไม่ดีไม่ยอมเสียสละก็เลยทำผิดศีลก็ได้ขโมยคอร์รัปชันพวกครูไม่อยากเห็นโรงเรียนศูนย์พรลานคอยเรามีบรรยากาศแบบนั้น คุณครูเข้าค่ายถ้าบังเอิญตอนนั้นพ่อครูมีสตังค์ามพี่ปอรครูก็มากี่คนเออให้พ่อครูทําบุญกับครูหน่อยคนละห้าร้อยคุณครูจะได้ไปซื้อซื้อของมาทํามามาใส่บาตรถ้าเป็นระบบราชการทําอย่างนี้ได้ไหมทำไมต้องทำาละ่ะเงินเดือนก็มีแล้วไงเราไม่ใช่นะเราเป็นระบบครอบครัวใหญ่ทุกคนเป็นพี่น้องกันเป็นกาลยาณมิตร ที่นี่เรียกว่าญาติธรรมเป็นญาติ ท, า, ทางธรรมนะคุณหมอยาไม่รู้มาหรือเปล่านะพ่อคุณหมอยาเนี่ยมาทำงานศพที่นี่9ก้าวันเก้าคืนนะไม่ได้เป็นไม่เป็นญาติโกโหติการน่เขาเป็นญาติธรรม ไม่มีแม้แต่หนึ่งเวลานี้ไม่มีคนอยู่หน้าศพทุกคนก็มานอนเฝ้าศพกันหลายเดือนก่อนพ่อคูนั่งเครื่องบินจากกรุงเทพมาเที่ยวนั้นหมอยาหมอเป่าก็มากับพ่อคูบังเอิญเขาโทรไปบอกว่าญาติผู้น้องพ่อคูเนี่ยเป็นผู้หญิงเสียชีวิตอยู่วัดเราก็เดินทางไปที่วัด เกือบส0บโมงขึ้นแล้วอีกหน่อยพักส พ, พักหนึ่งก็เลี้ยงเพลงแล้วไม่มีญาติพี่น้องไม่แต่หนึ่งคนอยู่ในงานศพผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยเป็นน้องพ่อขู่เป็นน้องเป็นลูกแม่เขาเนี่เป็นน้องสาวของพ่อแม่เขาเสียชีวิตตั้งแต่เขาเป็นพี่สาวคนโตนะเขาเป็นคนเสียสละเป็นคนเดียวที่ไม่ได้เรียนหนังสือ ส่งเสียน้องเรียนจบทั้งหมดแล้วปัจจุบันเนี่ยเขามีพี่ชายคนหนึ่งพี่ชายเขาอายุเท่ากับพ่อคูเป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งญาตินะโตมาด้วยกัน ต, ตอนนี้ทุกคนฐานะถือว่าไม่เดือดร้อนเป็นเศรษฐีหมดแล้วก็ผู้หญิงคนนี้เนี่ยเสียสละดูแลน้องๆมาแทนแมน่แต่เราไปงานศพเขาเนี่ยคนหนึ่งก็ไม่มี ไปฝากวัดไว้พอถึงเวลาก็เลี้ยงพระพุกกะกลับบ้านหมอยาอุทานเลยมาเข้าใจละที่พวกกูบอกว่าญาติทรรมฆ่ากันไม่ได้แต่ญาติพี่น้องกันนะ่ะถ้าพ่อแม่ไม่วางแผนดีๆไม่เขียนมรดกไว้นะเขียนพินัยกรรมไวนะ้น่ะเดี๋ยวมันจะเอามรดกนั้นนะ่ะเป็นเงื่อนไขฟ้องร้องกันตีกันฆ่ากันนั่นคือญาติพี่น้องไงแต่ญาติทางธรรมเนี่ย เราปฏิบัติธรรมมาด้วยกันหลายชาติเราถึงได้มาเจอกันอย่างนี้นะเราฆ่ากันไม่ลงบรรยากาศต่างกันคุณครูก็มาร่วมงานศพนะเป็นญาติเราไหมไม่เป็นญาติที่ทําไงก็มาช่วยกันคนนั้นทำทีคนนี้ทําทีหมอยาก็ไม่เห็นเขาก็ถามแม่เขาว่าถ้าเราทําที่บ้านเขามีแบบนี้ไหมบอกไม่มีทางทุกวันนี้คนมันกลายเป็นอะไร มันเป็นวัตถุนิยมหมดนะพระครูเอาธรรมะขึ้นมันเกิดขึ้นจริงๆมาเล่าให้ฟังนะสองวันนี้เนี่ยาหนะลอนนาะหลอนเนี่ยเป็นนานาโก้นาะนาปุ้ยนาะนาปูเคยอยู่กับพระครู28ปีก่อนมาบุกเบิกไล่แหลมทองด้วยกันนะทีนี้ ลูกเมียก็คิดว่ามันไม่มีอะไรมันไม่เจริญหรอกเพราะคูทำอย่างนี้ฉีดยาก็ไม่ให้ฉีดฆ่ า, มาแมลงใส่ปุ๋ยเคมีเขาบอกว่าไม่มีอนาคตเขาก็ย้ายกลับไปอยู่บ้านเก่าเขานี่ยเมื่อวันก่อนมามาอยู่ที่นี่สองวันเมื่อคืนเพิ่งกลับไปเขาบอกที่นู่นอยู่ไม่ได้แล้วอยู่ไม่ได้ยังไงนามสกุลเดียวกันในบรนนอกแบบนี้นะ แลวส่วนมากบ้านนี้วัตถุนิยมเต็มๆเลยยาเสพติดเต็มไปหมดยอวชนติดเหล้าติดเสพติดแฟชั่นติดวัตถุนิยมไปทำงานกรุงเทพกลับมาสิ่งที่เขาทำคืออะไรไสร้างกำแพงกัน้นสูงท่วมหัวกันหมดเหมือนคนกรุงเทพอยู่ข้างบ้านไม่รู้จักกันตอนนี้ความคิดแบบนี้มันเข้าไปในชนนบทแล้วนรอก็กอกอดอัดมากเลย แกทําถ้าจะย้ายกลับมาเนี่ยไปอยู่ที่นั่นเกือบ20ปีกว่ามันเปลี่ยนไปหมดเลยนี่คืออารมณ์ของมนุษย์เรากลายเป็นหุ่นยนต์หมดและการศึกษาก็อสอนเนีเป็นคนหุ่นยนต์หมดกลายเป็นคนเอาแต่ตัวเองไม่มองคนอื่นความมีอารมณ์เป็นจิตอาสานี่ไม่มีหมดเลยถ้าเราไม่ระวังนะเราถูกระบบความคิดแบบราชการมันครอบงําแล้วสุดท้ายทุกคนก็เครียดหมดแล้วชีวิตเราทํำไมต้องมาเครียดละ่ะ ไม่เครียดนะคุณครูตื่นขึ้นซนว่าเออเห็นไหมถ้าใส่ใจหน่อยเราจะเจอช้างเผือกเจอช้างเผือกกลายเป็นว่าเหมือนเหมือนเด็กบ้าไปมองช้างเผือกกลายเป็นว่าเป็นคนติงต้องบ้านเมืองพลาดโอกาสอันนี้เรื่องที่สองพูดถึงเรื่องแรกเรื่องแรกนี้เป็นเรื่องจริง แล้วตอนนี้ใครไปดูที่สลัมกรุงเทพนี่เป็นอย่างนี้หมดนะอยู่ในชุมชนนี่ยเผลอไปสร้างหนี้ไว้แล้วต้องไปทํางานกรุงเทพก็ห่วงลูกเนเอาลูกไปด้วยเอาไปทิ้งอยู่ไปสร้างสลัมอยู่กับข้างกองขยะแม่ก็ไปทํางานก็ห่วงลูกไม่ทํางานก็ไม่ได้ก็ไม่มีจะกินไงเด็กมันก็อยากเรียนมันไม่มีโอกาสเรียน มันก็ไปคุยเขี่ยวสระไอ้ไขยะมันก็เห็นหนังสือภาษาอังกฤษมันก็เอามาเรียนเองปัญหาเหล่านี้เป็นหน้าที่ใครเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนต้องตื่นขึ้นไปพึ่งหน่วยงานหน่วยงานเขาก็ทำแค่ตำแหน่งหน้าที่เขากเกษียณแล้วก็กจบเขาก็ทำเท่าที่เขาทำได้นะเพราะคือว่าเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนต้องตื่นขึ้น เอ้ยไม่ใช่เรื่องกูเอาแต่ลูกฉันถ้าเอาแต่ลูกฉันเด็กเหล่านี้มันมากขึ้นมันไม่มีจะกินแล้วลูกฉันจะอยู่กับสังคมแบบไหนมันก็พ้นกินข้ากินลูกเราจะปลอดภัยไหมที่ใช้เรื่องนี้พ่อครูเห็นแล้วว่าก็เห็นไงทึ่มาเปิดโรงเรียนไงนี่อันนี้โฆษณานะนี่ไม่ได้ทำด้วยความดีนะทำเพื่อโฆษณาเพื่อว่าเออหากองทุนคนหนึ่ง สามห้าต่อปีก็เท่ากับเดือนหนึ่งตกประมาณสามพันมหากองทุนเพื่อนี่เนะตัวเองก็เป็นธนาคารเป็นอะไรเงินจังเยอะอยะทำไมไม่ตั้งเองทำอะไรเนี่ยไม่โฆษณาด้วยเป็นการสร้างภาพลสุดท้ายตัวเองไม่มีอะไรจริงใจเลยทำเพื่อเป็นยันกันผีเหมือนโฆษณาบริษัทว่าเราได้ทำความดีแล้วนะ อันนี้ไม่ใช่ความดีหรอกอันนี้เป็นการโฆษณาอย่างหนึ่งนะอันนี้ชี้ให้ดูแล้วว่าอารมณ์มันเป็นแบบนี้ไม่มีใครรักชาติจริงๆนะเพราะคูเคยพูดแรงในระยารักชาติแต่วาจาทาช่วยกันทาถ้าชาติบ้านเมืองนี่ถูกเขายึดไปเนี่ยเห็น ไ, ไหมคิดว่าเราจะอยู่สงบเย็นได้เหรอเหมือนสมัยก่อนเราถูกประเทศอื่นมาลุกลานมายึดหมดเราก็เป็นทาสของเขาไง สำนึกตอนนี้คนทุกวันนี้เนี่ยน้อยมากเพราะอะไรเพราะการแข่งขันยื้อแรงยื้อแย่งการติดวัตถุนิยมอยากได้จนซีสัวรำก็ได้เอาเปรียบคนอื่นก็ได้คอร์รัปชันก็ได้ขโมยก็ได้แล้วสังคมแบบนี้มันจะอยู่กันยังไงเนี่ยคุณครูต้องตื่นนะโรงเรียนศูนย์ประลานข่อยต้องตื่นอย่างน้น้อยเห็นไหมเด็กนักเรียนมาเรียนโรงเรียนเราเนี่ยไม่ต้องเสียสตัง ทำไมต้องตั้งกองทุนล่ะนี่ก็ไม่เสียสตังค์ไงรถรับส่งฟรนะีรัฐบาลให้ยังไงค่าอาหาร13บาบาทหรือกี่กว่าบาทรถรับส่งก็ไม่มีนะอาหารมัธยมก็ไม่มีเอาให้ค่าเสื้อผ้ามาไปซื้อได้หรือเปล่าบอกสองชุดชุดหนึ่งก็ซื้อไม่ได้ยิ่งของเรามาแบบใช้ผ้าลายเนี่ยมันยิ่งแพงมันไม่เกี่ยวกับได้เสีย มูลิติทำได้ได้ไม่ต้องการให้พ่อแม่ผู้ปกครองเด็กนี่มีภาระอันนี้ทําด้วยสํานึกนี่ไงพวกเราได้ทํางานใหญ่ไงอันนี้ธนาคารมันใหญ่โตเลยยังไปโอ้ยโฆษณาหาทุนกับคนอื่นทุนละสามหมื่นห้าปีหนึ่งกําไรไม่รู้กี่หมื่นล้านแสนล้านทําเองก็ไม่ได้อันนี้ไม่ได้ควักเงินตัวเองเนี่แถมได้โฆษณาเหมือนตัวเองทําดีด้วยเนี่ยเพราะกูดูแล้วเศร้าใจ นี่เราก็เปิดโรงเรียนเอนงนี่เด็กก็เมีมันมีกองทุนไงไม่ต้องเรียนหนังสือไม่ต้องมีอะไรไม่ใช่แค่นี้นะบังเอิญเราปีนี้เป็นปีแรกที่ได้มัธยมหกนะปีนี้ก็ตั้งกองทุนทุนละห้าแส น, นไปเรียนสี่ปีเขาเป็นอะไรเราเขาเป็นลูกหลานเราไหมเป็นญาติโก้โหดิการเลยไม่ใช่ แต่เขาเป็นญาติธรรมเราเขาคืออนาคตของชาติต้องต้องเกิดสำนึกนะต่อไปสังคมเราอยู่ยากมือยาวสาวได้สาวเอาเห็นหทำอะไรไม่เคยทำบริสุทธิ์หรอกเป็นในเชิงการค้าโฆษณานะทั้งที่ว่าปีหนึ่งกอบโกยไม่รู้ไปเท่าไหร่นะพวกครูเสียดายเรือลำนี้นะ มันเป็นเรื่องที่ดีเรามาทำเพื่อสังคมจริงๆไม่ต้องปร ะ, ประกาศหากองทุนแบบไอ้นี่องค์กรต่างๆโฆษณามันรวยที่สุดแล้วแล้วก็แทนที่จะแบ่งปันออกมาช่วยเหลือสังคมนะจะช่วยแต่ละทีนี้ก็ต้องแอบแฝงนะสองเรื่องมีประเด็นแค่นี้เองนะก็เอาเอามาฉายแล้วเป็นการเตือนสติว่าพวกเราตื่นขึ้นถ้าเราทำได้นะ เราเองนั่นแหละจะมีความสุขมากเราจะภาคภูมิใจในพฤติกรรมของเรานี่แหละเราสร้างชาติและนี่แหละเราช่วยเหลือชาตินั่งอยู่ที่นี่เนี่ยยุวชนเยาวชนคืออนาคตของชาติเพราะครูตั้งคำขวัญของโรงเรียนมาตั้งหลายแรกสมศมันมาตรวจว่าที่นี่ปัชญาโรงเรียนเป้าหมายคืออะไระให้เด็กฝ่ายเรียนรู้รู้อะไร ไม่ใช่รู้ ABC กอไก่ขอไข่รู้วิทยาศาสตร์รู้คณิตศาสตร์รู้ไอวิชาบา้บาบ้านะรู้ผิดชอบชั่วดีรู้บาบุญคุณโทษรู้รับผิดชอบตัวเองกับสังคมนี่นคือความรู้ส่วนวิชาการนั้นเรื่องเล็กถ้าเขามีความรับผิดชอบไฝ่เรียนรู้แล้วเนี่ยเขาจะสแสวงหาเองนี่คือความรู้ วิชาการมันไม่ใช่ความรู้มันไม่ไม่ใช่ความรู้ของเราเลยมันเป็นแค่องค์วิชาข้อมูลดาตา้าทุกคนต้องมีความรู้รู้รนะับผิดชอบตัวเองกับสังคมรู้แล้ดูแลชีวิตตัวเองให้ปลอดภัยอันนี้รู้ไม้มไม่รู้เอาชีวิตตัวเองไปทำอะไรก็ไม่รู้แล้วก็ออกกฎหมายมารองรับตั้งท้องก็ไปโรงเรียนได้เพราะกูบอกได้มึงไปเรียนที่อื่น วิชาความดียังไม่จบเลยมันชั่วร้ายมากมิจเปนคนมีท้องไม่ใช่ชั่วลายบางทีเขาถูกข่มขืนก็นได้เราเห็นใจแต่ถ้าเราปล่อยให้มันเป็นแบบนี้ล่ะพราะคูปิดโรงเรียนเมื่อคุณจะพลาดโดยเพราะคุณหลงละเลยกระช่างคุณต้องยอมรับกรรมนั้นแล้วก็ไปเป็นคุณแม่ที่ดีดีไหมมึงไปเรียนทําไมเรียนให้มันโง่ไม่ต้องเรียนเราอยู่ในวัยเรียนเราก็ตั้งใจเรียนต้องอดเปรี้ยวกินหวาน อันนี้ไม่ใช่ปล่อยมันละสังคมเล่เทก็ออกกฎหมายมารองรับต่อไปคอยดูนะติดยาเสพติดก็เรียนได้เพราะว่ากลัวมันจะไม่มีอนาคตมคิดได้ยังไงต่อไปมันก็กลายเป็นแฟชั่นไงอนาคตจะไม่รู้เป็นยังไงตอนนี้มันชั่วแล้วไงมันเลวแล้วไงถ้าเราไม่ช่วยกันดูแลนะโรงเรียนเรามีแนวโน้มพราะกูจะปิดดีกว่า เราอยู่เฉยๆก็ไม่ต้องมีบวกมีลบไงถ้าไปทำแล้วเนี่ยถูกเขาด่าทั่วบ้านทั่วเมืองเนี่ยนั่งอยู่เฉยๆไม่ดีเลยเห็น ไ, ไหมถ้าทำแล้วมันต้องมีอะไรดีขึ้นต้องมีการสร้างสรร์อะไรที่มันดีขึ้นนั่นแหละทีนี้มันอยู่ที่ไม่มีสถานที่ใช่้ยเพะ ก, กูก็หามาไม่มีเลยพอ ก, กูก็สร้างให้สถานที่ เ, เล็กๆ ตอนนี้เรื่องใหญ่คือว่าบุคลากรตรงนั้นเนี่ยจะช่วยกันดูแลแค่ไหนนะโดยเฉพาะคำว่าครูนี่ยิ่งใหญ่มากนะโรงเรียนไหนถ้าเราปล่อยเป็นยังไงเด็กมันเป็นยังไงมนสะท้อนให้ถึงครูก็เป็นอย่างนั้นแหละทำไมพาะครูจะไม่รู้เด็กทุกวันนี้เนี่ยมันไม่ง่ายมันไม่ใช่ไม่กลัวครูนะเออเพราะสิทธิสิทธิเ ส, ส, สรีภาพอะไรครอบมันอยู่แต่ต้องมันไม่ได้มันไม่กลัวตำรวจด้วย แต่มันไม่เหลือบากรุ่นแรงถ้าคุณครูมีเมตตาทำแต่ต้องเมตตาจริงๆนะต้องบริสุทธิ์นะถ้าแกล้งเมตตาแล้วเนี่ยมันไม่มีพลังหรอกเห็นไหมครูคนนี้เนี่ยเขาเมตตาเด็กคนนี้เนี่ยหลายคนไม่เข้าใจก็สร้างปัญหาตลอดแต่เนื่องจากครูเมตตาครูจนเจาะลึกเลยว่าเขาคืออัจฉริยะคุณครูต้องอดทนนะเอาละช่วงครึ่งนี้ เพคูก็พูดถึงเรื่องการศึกษาและสะท้อนเห็นสังคมเด็กที่เขาอยากเรียนเขาไม่มีโอกาสเรียนเยอะมากเพราะพ่ อ, พอแม่ไม่มีกําลังจะส่งแล้วก็เปิดโรงเรียนมารองรับแล้วเนี่ยไม่ต้องเสียตังค์นะก็นีย่ยิ่งกว่าทุนการศึกษาถ้าคุณครูช่วยกันดูแลสุขทุกข์ดูแลพฤติกรรมให้เขาปลอดภัยด้วยเนี่ยเด็กเขาก็มีโอกาสทุกคน เนะพราครูประกาศเลยนะลูกหลานนั่งอยู่ที่นี่เนะี่ยทุกคนมีโอกาสหมดแต่ที่นี้พอไปเรียนใ น, นระบบระบบมหาวิทยาลัยแล้วเนี่ยไม่ใช่พ่อครูเป็นคนตั้งกติกานะเขาตั้งกติกาเขาก็ประเมินวิชาการไงทั้งที่พ่อครูบอกว่าถ้าเลือกได้ไร้สาระไม่ต้องเรียนวิชาการแต่ตอนนี้เนี่ยเขาประเมินว่าวิชาการเราก็ต้องเรียนหรกไม่ชอบก็ต้องเรียนเพราะว่าเขาประเมินด้วยวิชาการเขาไม่ได้ประเมินคุณธรรม แล้วคุณธรรมมันไม่มีประหลอดวัดด้วยมีไหมมีประลอดวัดคุณธรรมไม่อมเข้าไปปุ๊บโออันนี้มีคุณธรรมอันนี้ไม่มีคุณธรรมนักวิวียศาสตร์มันยังไม่เก่งพอที่จะมีประลอดวัดคุณธรรมไงเข้ามาหาอะไมันก็ไม่ได้วัดคุณธรรมมันวัดว่าใครท่องจําเก่งนะมันเอาตัวหนังสือตัวเลขตัวคะแน น, นสูงๆก็เข้าแต่ทีนี้เมื่อลูกหลานเราอยู่ในสังคมแบบนี้เราต้องก้าวไปข้างหน้า แล้วจะหนีจากความเป็นขายแรงงานนีจากกรรมกรเนี่ยเพื่อจะมีอาชีพที่สูงขึ้นเขาวัดกันด้วยความรู้ทางวิชาการอันนี้ขึ้นมันโง่เขามันผิดแล้วแต่ว่าผิดยังไงก็ช่างเราเปลี่ยนมันไม่ได้ไงเราก็เดินสายกลางนะเด็กๆชอบไม่ชอบก็ช่างก็ต้องอดสาเรียนแต่อย่าไปเครียดกับมันนะอดเปรี้ยวกินหวานยิ่งโตขึ้น ของคู่ฮอร์โมนเพศต่างๆมันก็ยิ่งเปลี่ยนความรู้สึกมันก็เปลี่ยนนั่นแหละถ้าไม่มีตัวนี้เราจะใช้คําว่าขันติกับอะไรละ่ะเราจะใช้คําว่าอดทนกับอะไรละ่ะก็อดทนกับสิ่งนี้นะ่ะอดเปรี้ยวกินหวานเพราะคุณเน้นบ่อยๆนะมะม่วงน้ําดอกไม้เนะี่ยตอนกินดิบๆมันเปรี้ยวมากมันเปรี้ยวแบบไม่อร่อยเลยนะแบบไม่ใช่เหมือนมะม่วงมันนะอดให้มันสุกก่อนได้ไหมนั่นะนะ่ะอดเปรี้ยวแล้วก็กินหวาน เอาไว้ให้ัยเราในสุขงอมก่อด น, นะสร้างฐานะเดิมตอนนี้เราสร้างอะไรล่ะสร้างความรู้สะสมความรู้สร้างเกราะป้องกันไปนะฝึกให้เราแข็งแรงเพื่อจะไ ป, ไปเชิญชีวิตแล้วทีนี้ก็มาสร้างเศรษฐกิจถ้าจะมีชีวิตคู่นะเราต้องคิดว่าคนที่เรารักเราเอาเขามาอยู่กับเราเขาต้องไม่เดือดร้อนนั่นแหละมันถึงรักกันจริงจริง ไม่ใช่ฉันรักเธอมากเลยซีซัวกันทำนะแล้วไปกู้หนี้ยืมสินมาแต่งงานแล้วเอาคนที่เรารักมามาจ่ายหนี้ด้วยกันอั น, นมึงรักประเภทไหนมึงวางแผนทำลายเขาใช่ไหมถ้าเรารักเขาจริงๆนี่เราต้องสร้างฐานความพร้อมเราให้คนที่เรารักมาอยู่กับเราอย่างมีความสุขยิ่งผู้ชายแล้วเนี่ยต้องทาแบบนั้นนะแต่ตอนนี้ หาผู้ชายดีๆแบบนี้ทำยายากแล้วไเพราะูบอกไงฮะมีแต่ชอบของใหม่เมียเก่าแล้วมันเก่าแล้วกูก็เอาเมียใหม่เพราะเมียมันเก่าไงไม่มีความรับผิดชอบสังคมมันถึงเละเทะไงพ่อไปทางแม่ไปทางเห็นไหมแม่ต้องพาลูกไปทำงานกรุงเทพด้วยมันก็อยู่ข้างถังขยะกองขยะอันนี้ไม่ใช่เขานั้น เยอะมากไปดูสลัมที่กรุงเทพตอนนี้พ่อครูจึงขอร้องผู้ปกครองว่าเอาละไปทํางานปุ๊บเอาลูกมาฝากไว้กับพ่อครูพ่อแม่ก็ทํางานได้เต็มที่เด็กก็ได้มีโอกาสไงเอาไปทําไมรัลกลูกแบบนั้นไงนี่เรากําลังทํางานใหญ่นะคุณครูเรากําลังทํางานใหญ่นะกําลังช่วยเหลือประเทศจริงๆละ่ะเราไม่ได้ค้าขายนะ ส่วนเงินตอบแทนครูน่ยถ้าคุณครูแก้ปัญหาโดยที่หารายได้เพิ่มคุณครูก็เผลอไปสร้างเวรสร้างกรรมไปผิดศีล น, นะคุณครูก็คอร์รัปชันหน้าที่ตัวเองก็คือว่าเอาเวลาไปไปสอนเด็กนี่แทนที่จะทุ่มเทเด็กเขาเป็นอนาคตของชาตินะเอาเวลาไปทํางานส่วนตัวฮัลโหลฮัลโหลนี่คอร์รัปชันคอร์รัปชันส่วนคอร์รัปชันผลประโยชน์อันนั้นก็มี เพราะอยากได้คุณครูฟังนะตอนพ่อคูเด็กๆไม่ใช่เด็กหรอกหนุ่มแล้วทองคำเนี่ยบาทหนึ่งส0 0รอบาทเป็นอยู่เวลายาวเลยมันขึ้นลงไม่กี่สตังค์ตอนนั้นน่ะเงินเดือน4ี่พันบาทซื้อทองคำได้สิบบาท ตอนนี้คุณครูปริญญาตีเนี่ยหมื่นห้าซื้อบาทหนึ่งก็ไม่ได้ไม่ใช่วิ่งหาเงินเยอะๆคนมันหลอกกันแล้วจะมีเงินเดือนเยอะทำไมแล้วก็ของมันก็แพงขึ้นทุนนิยมมันหลอกเราสู้ยอย่างนี้เรากลับคืนไปสู่แน่ดิตเงินเดือน4ี่พันดีไหมเงินเดือนออกมาเราซื้อทองคำได้ได้สบบาท อันนี้หมื0ซื้อบาทหนึ่งก็ไม่ได้ไงแล้วแก้แบบนี้เมื่อไหร่มันจะเซตตดาวหมายถึงว่าเมื่อไหร่มันจะมันจะนิ่งสักทีหนึ่งชีวิตเราจะนิ่งสมบูรณ์ไม่มีทางเพราะเราก็วิ่งตามรุ่นใหม่รุ่นใหม่ไปเรื่อยๆเราแก้ปัญหาโดยกระเสือกกระสนหาเพิ่มเราเข้าใจว่ามีฐานะดีแล้วเราจะมั่นคงอันนี้พ่ครูยืนยันนะเป็นการคิดผิด ที่นี่พุทธเจ้าสอนอยังไงทุนนิยมสอนว่าเธอต้องมีเพิ่มเธอต้องก็เสือกกระสนนะเธอต้องไปเรียนอัปเดตนะเพิ่มความรู้นะแล้วเธอจะได้เงินตอบแทนมากขึ้นต้องเอาเงินไปลงทุนเนี่ยไปซื้อปริญญามาแล้วเอามากขึ้นมากขึ้นก็ซื้อของแพงขึ้นมันหลอกกันเพราะครูเคยปรึกษาครูคีไปต่อปริญญาเอกไหมในวงการศึกษาเนขะาบอก เออเป็นใหญ่เป็นด็อกเตอร์ปุ๊บกูคียว่ายังไงไม่อยากมีตาบากเพราะกูก็เห็นด้วยนะเพียงแต่ว่าสังคมมันเป็นแบบนี้ไงบอกมึงซื้อปริญญาเอาทั้งนั้นแหละก็จบปริญญาเอกทางภาษาศาสตร์ออกมาคุยกันไม่รู้ภาษาไงแล้วคุณจะไปเรียนให้มันโง่ทําไมแต่ตอนนี้ถ้าเราไม่เรียนไม่เป็นปริญญาเขาก็ไม่ให้เราเป็นครูไม่จบปริญญาโทเขาก็ไม่ให้เป็นผู้บริหารเขาก็ไปเออเรายอมทําในสิ่งที่เราไม่อยากทําเพื่อเราได้ทํางานใหญ่ เพื่อเราได้มีโอกาสได้ให้พระผู้จเจ้าสอนทวนกระแสนะถ้าอยากก้าวหน้าต้องถอยหลังพระผู้เจ้าสอนแก้ปัญหาชีวิตโดยการลดละเลิกนะในหลวงราชการที่เก้าก็สอนแบบนี้เศรษฐกิจพอเพียงวันหนึ่งเราจะกินเท่าไหร่อันนี้ทุนนิยมสอนมันต้องสอนให้เราว่าฟุ้งเฟอ้อฟุ่มเฟอือยต้องมีน้นรุ่นใหม่รุ่นใหม่ ไม่งั้นมันขายของไม่ได้แล้วทุกคนหาเงินมาเพื่อซื้อรุ่นใหม่ดีใจสองวันมันออกรุ่นใหม่อีกแล้วล้าสมัยแล้วก็กระเสือกกระสนหาเงินให้ไอ้ในทุนมันรวยขึ้นตอนนี้ที่ลาวบรรยากาศเหมือนอดีตเราเกือบสามสิปีที่แล้วหลังจากพวกคูไปเบิกที่นะนาเขาถึงเป็นน้าของตาแม่ครัวเราเนี่ย ขอพบครูปลูกข้าวโพดคิดเหมือนกันว่าเหมือนปลูกแล้วมันได้ได้ปลูกพบว่านาต้องปลูกให้มันรวยนะอย่าปลูกให้คนอื่นรวยนะแล้วเขาก็รู้ว่าราคาข้าวโพดที่ลาวเนี่ยถูกกว่าเมืองไทยเนี่ยเท่าตัวพราะครูบอกเมืองไทยขนาดมันสูงน่ยมันก็ยังจนอยู่นะแล้วไม่ได้คิดค่าเนื้อดินค่าที่ดินเลยดินมันสวยมากจะปลูกให้มันไม่สวย แล้วก็ได้ปลูกเนะี่ยเป็นขี้ข่าเขาแล้วให้เขาเขาดื่นรวยเนี่ยเขาคิดเหมือนกันนะดินมันสวยๆต่อไปปลูกออกมาในบ้านแหลมทองเนี่ยพ่อครูยี่สิปีก่อนเนี่ยปลูกมันสำปะหลังปลูกปอสองอย่างปีนี้มันปีนี้ปอปีนี้มันปีนี้ปอทุกวันนี้ปลูกมันลองไม่ใส่ปุ๋ยสิมันจะได้มันไหมไม่มีทางมันดูดเอามันดูดเอาความสมบูรณ์ในดินไปหมดเลยแล้วเรายังจนอยู่มันเก่าไง ขยันแบบโง่โงมันไม่สําเร็จนะเมื่อวานก็คุยกับพี่ปออยู่พี่ปอถามแม่เขายาน้อยมีควายกี่ตัวแกก็ลืมนับมีสิบกว่าตัวนั่นแหละกี่ตัวไม่รมันก็ออกลูกใหม่อยู่เรื่อยแค่ไปเลี้ยงควายไปต้อนควายไปต้อนค ว, ค, ว ค, วควายควายควายแล้วก็ไปขายตัวมันอย่างนี้นะแค่นั้นนะนะปลูกกาแฟเหมือนกัน ที่เขาขายที่ให้เราเพราะว่ากาแฟมันขาดทุนเขาไม่เก็บเกี่ยวเลยหระเหมือนตอนนี้สวนยางก็กำลังเป็นแบบนั้นถูกมันหลอกตลอดหลอกให้ปลูกเยอะๆเลี้ยงเยอะๆแล้วก็กดราคาเรากดราคาเราไงกาแฟบอกเออดีนะตอนนี้มันขึ้นมาละกิโลห้าหสิบบาทเขาไม่คิดค่าแรงตัวเองเขาไม่คิดค่าเสื่อมของดินเราที่มันสมบูรณ์แล้วมันเสื่อมไปคิดว่าขายแล้วกูก็ได้ได้ขายไงแต่เขาขาดทุนโดยไม่รู้ตัว เหมือนเราซื้อรถไถมาถ้าไม่เติมน้ำมันมันไถได้ไหมเหมือนเราไม่กินข้าวเราทำงานได้ไหมค่าใช้จ่ายเราอยู่อย่างนี้นะแล้วเราก็ปลูกหน้าดินเราก็เสียอยู่เรื่อยแล้วก็สุดท้ายก็ต้องไปซื้อปุ๋ยมาใส่พระคูบอกกูปอเดี๋ยวเอาควายกูปอไปทางลาวตอนนี้ทางเหนือเขาทำสมเด็จแล้วนะเขาเรียกว่าคอฟฟี่บัฟโล ให้ควายมันกินกาแฟแล้วมันอือโอกมานั่นขี้มันก็ไปให้ต้นแม่กาแฟหน่อยเม็ดกาแฟมันขึ้นมากิโลละหมื่นหนึ่งเกษตรก ร, เ ร, กรเราถ้าไม่พัฒนาแล้วมึงก็จนอยู่ตรงนั้นแหละเป็นขี้ค่าเขาดินดีๆก็ไปทําให้มันไม่ดีนะพราครัก็พูดไม่ได้เอออยากทําก็ทําไม่แต่บอกว่าห้ามใส่ปุ๋ยเคมีห้ามฉีดยานะไม่เพราะคูไม่ไปให้ทําให้เข็ดๆไม่อยาก ที่เขาไม่เข็ดหรอกจีพีจีพีเขาก็ทาเหมือนเก่ามันหมดยุคแล้วกเกษตรกรทุกสาขาชิพแม้กระทัทุกคุณครูต้องอัปเดตอยู่เรื่อยนะสังคมมันเปลี่ยนนะก็พระพุทธเจ้าสอนเพิ่มรายได้โดยการลดรายจ่ายนะใช้ชีวิตยอย่างสมร t h าเรียบง่ายหนี้สินเพิอไปสร้างแล้วรู้ว่ามันไม่ดีมันทำให้เราทุกข์ก็อย่าสร้างเพิ่ม อดออมแทนที่จะเอาเงินไปเหวี่ยงทิ้งเหวี่ยงทิ้งเหวี่ยงทิ้งเพราะคูไม่สอนให้เหวี่ยงเงินทิ้งนะเหวี่ยงความยึดมั่นเหวี่ยงความหลงมันทิ้งทํางานเกือบแย่เหนื่อยแล้วเนี่ยก็รู้จักเก็บมันไว้สิเราไม่ได้รักเงินเลยบางทีทํางานมาเดือนหนึ่งเนี่ยเงินที่นี่ก็เหมือนกันเงินออกวันนี้ปึ๊บวันนี้เขาเรียกว่าวันใช้เงินหายไปหมดเลยในศูนย์ ใช้ให้มันหมดลยวันเดียวแล้วก็มาทำงานอีกสามสิบวันเอาเงินอนาคตมาใช้ด้วยเอาหมาเล็กมาขี่ด้วยเอาเงินไปเลี้ยงมันวิ่งไปจ่ายค่างวดเขานะแล้วก็มาทำงานองอกๆเราไม่รักเงินถ้าใครรักเงินนะเงินเดือนออกเอาไว้บนหิ่งเลยกราบไหว้มันทุกวันคาว่าบนหิ่งสมัยก่อนเราฝากธนาคารมันก็ออกดอก ออกดอกใ ห, ให้เราใช่ไหละ่ะเรารักมันเราไหว้มันทุกวันมันก็อยู่กับเรามันออกลูกให้เราด้วยแต่ตอนนี้เราเกลียดเงินมากออกมาวันเดียวโยนมันทิ้งเลยกลัวมันค้างคืนกับเราที่บ้านนะแล้วมันจะอยู่กับเราได้ยังไงเอาล่ะชาวบ้านเขาไมา่ได้เรียนหนังสือแต่คุณครูเป็นปัญญาชนนะครับมีปัญญาตีขึ้นไปเรียกว่าปัญญาชนไปพิจารณาตัวเองนะตัวเองทาอะไรมันฉลาดหรือเปล่า นะเอาเงินอนาคตมาใช้กันทั้งนั้นแหละทำงานก็เอาเงินไปยืดให้คนอื่นเราหาเงินมาเงินก็อยู่กับเราสิถ้าเรารักมันอยู่กับเราตลอดเวลาเนี่ยมันไม่ไปไหนเออถ้ามันสะสมยาะแล้วเป็นก้อนเลยเอออยากซื้ออะไรก็ไปซื้อไปเงินสดเลยไปอันนี้ซื้อของยังต้องไปเสียดอกเบี้ยอีกเขากินสองต่อ คนไม่ได้เรียนหนังสือเขาคำนวณไม่เป็นแต่เราได้เรียนหนังสือเราถือว่าเป็นปัญญาชนนะอยากให้คุณครูตื่นขึ้นมาที่ผ่านมามันเผลอไปตามกระแสะแล้วแต่เมื่อเข้าค่ายนี้แล้วรู้แล้วต้องตื่นอย่าทำร้ายตัวเองคุณครูไม่จะทำร้ายตัวเองอย่างเดียวนะพฤติกรรมของคุณครูเนี่ยทำร้ายเด็กด้วย หรือไม่หรือปฏิเสธว่าถ้าคุณครูเป็นห่วงน่นห่วงนี่คุณครูจะมกจะีกำลังใจสอนมีอารมณ์ดีๆกับเด็กได้ไหมอย่ากโกหกกันไม่มีทางอารมณ์ที่มันสะท้อนออกมามันก็หงุดหงิดมันก็อะไรบางทีฉุนเฉียวกับเด็กอีกเด็กก็พลาดโอกาสไงทุกวันนี้นี่พ่อแม่เขาเดือดร้อนอยู่แล้วเห็นไหมเห็นไหมเราต้องดูแลเด็กๆนี่แทนพ่อแม่เขาเราต้องให้ความอบอุ่นเขาให้ความรักของเขาให้ความเมตตา นะพราะครูเรียกคุณแม่ชีที่ดูแลเด็กๆนะเป็นแม่พระของลูกนะหลวงพี่ที่ดูแลเด็กๆนี่กัเป็นพ่อพระของลูกนะแพ้เป็นพระชนะเป็นมารทุนนิยมได้ยังไงมึงแพ้มึงงงมึงเป็นพระได้ยังไงเรายอมแพ้ขนเพื่อชนะกิเลสดีกว่าแพ้กิเลสเพื่อชนะคน เอาแพ้เป็นพระเราเป็นพระผู้ให้แล้วไงเราเป็นพระมันเป็นมาร น, นะเนี่ยแพ้เป็นพระชนะเป็นมารเรายอมแพ้คนเพื่อชนะกิเลสดีกว่าแพ้กิเลสเพื่อชนะคนเราเป็นแม่พระพ่อพระล่ะนี่คือความสุขแก้โดยลดละเลิกสุรุ่ยสุลายนั่นละ่ะมีวันสำเร็จนะพ่อครกูก็มี มีของเล่นมาฝากนะอันนี้อันนี้น้ำขวดธรรมดานะอันนี้เป็นน้ำขวดธรรมดาที่นี้ที่นี่ไอ้ น, นี่เป็นลูกดอกอาบยาพิษห้าดอกนะ เราดึงขึ้นมาดอกแรกเขาเขียนว่าบุรีกับยาเสพติดดอกที่สองการพนัน ดอกที่สามนี่สินให้ น, นี่ตัวใหญ่หน่อยหนึ่งดอกที่สี่แฟชัน่นจะเป็นเสื้อผ้ารถยนต์มอเตอร์ไซค์นแก้วแหวนเงินทองอันนี้ดอกที่ห้า อันนี้หนักไปทางผู้ชายหน่อยคือเล่าเล่าจา๋าเห็นเล่าเป็นที่รักเนาะเอ๊ะมันก็ไม่เป็นอะไรเนี่ยมันก็อยู่คงที่เนี่ยนะมันไม่เป็นอะไร มันมีรูรั่วเราก็กระเสือกกระสนทำงานทำงานเพราะเราอยากจะรวยแล้วก็เติมใส่เติมใส่ถามว่าชาตินี้มันเต็มไหมเต็มไหมลูกเราต้องแก้ยังไง อุดรูรั่วซะเพิ่มรายได้โดยการลดรายจ่ายอันนี้ทำได้เดี๋ยวนี้ไม่ต้องขอวีซ่าไม่ต้องขออนุญาตใครไม่ต้องไปเรียนให้มันจบปริญญาตีโทเอกทำได้ไหมถ้าไม่ได้เพราะอะไรเพราะเราโง่ไหมนะ โง่จนค่าตัวตายไหมใครสร้างมันขึ้นมาใครทำให้มันรั่วเราทำเองใช่ัหมเราทำเองแล้วก็อุดมันเองอันนี้ไม่ต้องไปแก้ปัญหาด้วยกระเสือกกะสนไปหารายได้ชักหน้าไม่ชึงหลังตอนนั้นน่อันดับแรกไม่ใช่ไม่หารายได้เราก็ต้องทำต่อไปแต่ว่าทำจนตายเทงไปมันก็รั่วอย่างเงี้ยถ้าทาให้มันเหนื่อยทำไม อันดับแรกต้องทำคืออุดรูรั่วซะอุดก่อนนะแล้วค่อยมาดูว่าเรามีศักยภาพทำแค่ไหนนะไปเลี้ยงควายให้มันกินกาแฟได้กิโลละหมื่นหนึ่งดีไหมตอนนั้นมันเอาชะมดนะเอาชะมดมันตัวเล็กๆไงมันหนึ่งมันก็กินนิดนึงนะทีนี้เขาก็เอาช้างไงช้างก็ได้ผล แต่ช้างมันตัวใหญ่ค่าใช้จ่ายดูแลช้างมันมันยากนะแต่ตอนนี้เขาเอาควายแล้วมันกินแค่หญ้านะทีนี้เอาอาหารเสริมให้มันกินกาแฟนอะนะมันก็แก้มดิงมันก็เคี้ยวเค้ยวแต่มันไม่กัดเม็ดกาแฟมันก็กลืนลงไปมันก็ผ่านการหมักผมมอยู่นั้นเกิดปฏิกิริยาทางชีวภาพมันถ่ายออกมากาแฟนี่มันมีกลิ่นพิเศษเลยเลยขายกิโลละหมื่นนึงไง ใครสนใจไหมไปอยู่กับลาวพ่อคูไหมเพราะที่นี่มันปลูกกาแฟไม่ได้มันมีอะไรทาได้เยอะแยะแต่เราต้องอุดรูรั่วก่อนถ้ามีรัร่วรอยู่รูรั่วหรือยิ่งดิ้นก็ยิ่งรัดมันไม่มีวันเต็มแล้วมันตายก่อนเดี๋ยวร่างกายโซมหมดเนอะไอ้นคนติดเหล้ามันรักเหล้ามันเหมือนคนรักนันบอกเหล้าจา๋า นะก่อเข้าไปทำร้ายตัวเองสุดท้ายก็ตับแข็งหมดและบอกรักตัวเองแรงขึ้นก็เอายาเสพติดอีกนะจะไม่หนุนหนุนเพราครูรวยมาแล้วนะไปเที่ยวบาร์เที่ยวเถกเลยเนี่ยถ้าหน้ามันไม่มึนเนี่ยมันไม่กล้าไปเต้นรำนะมันอายนะก็กินเหล้าให้มันมึนไปเต้นแบบคนขาดสติ เต้นไปเนมาไม่สนุกบางทีไปเสพยาเสพติดอีกให้มันบ้าไปเลยไม่ใช่เมานะแล้วก็คุมสติไม่ได้ก็ตีกันฆ่ากันทาร้ายตัวเองเพื่อจะแลกกับความสะใจแล้วเข้าใจว่ากินเหล้ามอมอตัวเองไม่ต้องคิดเลยกูมีขึ้นสวรรค์แล้วกูไม่ต้องทุกข์เลยไม่ต้องเครียดอย่างี้อันนี้เป็นลักษณะของคนอย่าว่าแต่คนไม่มันไม่ ม, มีเรื่องปัญญามันห่างไกลหรอก นะเออเรื่องสติก็ห่างไกลอีกนะคนไร้สานึกเนาะคนไม่มีความรับผิดชอบไม่รับผิดชอบสุขภาวะตัวเองแล้วก็ไม่รับผิดชอบครอบครัวนะแล้วมันจะเจริญได้ยังไงนะพราะคูพูดอย่างนี้เนี่ยลูกหลานเราฟังนะลูกยาวเป็นแบบอย่างถึงจะเป็นครูก็ช่างถ้าครูแบบนี้เนี่ยยาวเป็นแบบอย่างเด็ดขาด เพราะมันเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีนะครูต้องเป็นปูชนียบคุคคลครูต้องเป็นตัวอย่างที่ดีมีค่ากว่าคําสอนครูนั่งกินเหล้าอยู่นะสั่งเด็กซื้อเหล้ามาด้วยเฮ้ hey, เด็กอย่า ก, กินเหล้านะ่ะมันไม่ดีแล้วมันมีน้ําหนักไหมล่ะคูสร้างนี่สร้างศีลบอกลูกอย่ามีนี่นะมันไม่ดีเขาบอกว่า ไอ้ความไม่มีหนี้สินเป็นลาบมันประเสริฐนะมันแล้วมันมั น, ม, นมันเชื่อหรือเปล่าล่ะความอยากของเราทำให้เราเผลอเห็นคนอื่นมีฉันก็มีเราก็เลยเผลอเอาเอาชีวิตเราไปติดบ่วงนะแล้วสร้างภาระให้กับตัวเองแล้วก็ต้องกระเสือกกระสนวางแผนทำยังไงฉันจะเคลียร์หนี้ฉั น, นหมดเวลาแล้วนะ หันมามองตัวเองว่าเออเผอที่ไปทนะําน่ะเขียนออกมาให้มันชัดเจนเลยไม่ห ล, ล, ล, ลบนั่นหลบหลบยู่นี่แล้วก็เปลี่ยนแต่เบอร์ทโทรศัพท์กลัวเขาไปทวงหนี้คุณเป็นมนุษย์หรือเปล่ากล้าทําก็กล้ารับสิมาวางดีๆเรามองภาพใหญ่เราจะแก้ยังไงให้มันเบ็ดเสร็จระยะ ย, ยาวไม่ใช่รวยไปรวยมารวยไปหลวงมาเนีย่ยคุณหลอกคนอื่นได้คุณหลอกแล้วสุดท้ายเดี๋ยวคุณก็เดี้ยงเพราะความเครียดความกังวล ว่าออกมาเลยเขียนออกมาเลยว่ามีนี่กี่กองกี่กองลายลายลายายได้เราเท่าไหร่เออบางทีเนี่ยวิ่งหาลายได้นะบริษัทกรุงเทพตอนนี้มีปัญหาหมดเพราะกูเข้าไปอบรมนะ่ะฝึกมาดีๆนะจนได้เป็นหัวหน้างานนะเก่งแล้วไอ้บริษัทอื่นมันซื้อตัวไปเลยแค่เอาให้เงินมากกว่ากูก็ไป ทุกคนไม่มีสำนึกไม่มีกระตันอยู่แล้วก็มีแต่ว่าวิ่งไปตามอนาคตก็คือว่ามีมากกว่าก็ไปไปก็ไปนั่งรับหนึ่งใหม่ไปทะเลาะ ก, กับอีกคนในกลุ่มหนึ่งกว่าจะปรับตัวได้นะออทางลู้นซื้อไปมากกว่าก็ไปอีกและชีวิตตัวเองเนี่ยไม่เคยนิ่งเลยเราเข้าใจว่าถ้ามีมากแล้วเราจะมั่นคงอันนี้เนี่ยชีวิตทุกขตลอดการแน่ ถ้าเราพอใจเพียงแค่มีแล้วก็ทำงานที่เรามีความสุขอบุ่นทุกคนรู้จักกันแล้วแล้วก็ลดละเลิกอาบายมุขลดละเลิกไอ้สิ่งที่มันไม่จําเป็นนะชีวิตเราก็มั่นคงแล้วเราเข้าใจว่าเพราะครูถามถานเด็กๆ ก, ก็ได้เด็กๆนะคนหนึ่งมีเงินเดือนหมื่นหนึ่งสิ้นเดือนมันจ่ายไปหมื่นสองพี่ไมยมันเหลือเท่าไหร่ เงินเดือนมันหมื่นหนึ่งแล้วมันจ่ายไปหมื่นสองมันมีเหลือไหมเนะมันติดลบสองพันใช่ไหมอีกคนหนึ่งมีเงินเดือนห้าพันแต่มันจ่ายไปสามพันพี่แหมมมันเหลือเท่าไหร่เหลือสองพันใครมีรายได้มากกว่าพี่แบมมระหว่างคนมีเงินเดือนหมื่นหนึ่งแล้วมันจ่ายไปหมื่นสอง คนมีเงินเดือนห0 0พันมันจ่ายไปสามพันใครมีรายได้มากกว่าอะอะไรนะคนที่สองใช่ไหมเราเข้าใจว่ารายรับเป็นกายเป็นรายได้เห็นไหมตอนนี้คุณครูมีมีรายรับมากกว่าในอดีตเนี่ยเงินเดือนต้องเป็นหมื่นกว่าบาทซื้อทองคำได้ไหมกิโลบาทหนึ่ง คือคุณมีรายรับเยอะคุณก็จ่ายเยอะคุณก็ไม่มีรายได้เหลือรายรับหมื่นหนึ่งจ่ายไปหมื่นสองหักลบคุณติดลบด้วยสองพันไม่มีรายได้สักบาทหนึ่งเราไปเข้าใจว่ารายรับเป็นรายได้มันยังไม่ได้มันเป็นรายรับไปจะต้องหักรายจ่ายถึงจะเป็นรายได้แต่คนนี้เขามีรายรับแค่ห้าพันเขาจ่ายไปสามพเขามีรายได้เหลือสองพันใครมั่นคงกว่ากันใครมั่นคงกว่ากัน คนที่หนึ่งหรือคนที่สองคนที่สองย่อมมั่นคงกว่าคนที่หนึ่งเพราะไม่กังวลไงไม่มีหนี้สินไงไม่มีใครมาทวงไม่มีใครมายึดแผ่น ด, ดินเห็น ไ, ไหมสปรกรเขายกอุตส่าห์ออกมาสลักหลังว่าห้ามซื้อห้ามขายห้ามจำหนองห้ามอะไรกุ้งห้ า, ม ห, ามหมดเลยมันขายทิ้งหมดแล้วไง พราเผือไปสร้างหนี้ไว้แล้วไม่ได้ทําให้เราอยู่ได้เห็นไหมเพราะครูดูสังคมองรวมมนะันน่ามันน่ากลัวมากนะเอาเป็นว่าอยากให้คุณครูช่วยตื่นขึ้นมาเนี่ยช่วยกันพายเรือลํานี้ช่วยกันนะใส่ใจเด็กๆหน่อยหนึ่งนะโดยเฉพาะเราอยู่ในชายแดนเนี่ยเด็กๆชายแดนเนี่ยไม่คิดนะ เด็กๆที่มาอยู่ประจําบางทีมาจากกรุงเทพจากที่ไหนบ้างอีกส่วนหนึ่งแต่ว่าส่วนใหญ่เด็กๆชายแดนเนี่ยอยู่ในฐานหน้าที่เขาลำบากพ่อแม่ต้องกระเสือกกระสนไปทำมาหากินนะเขาอุตส่าห์มาเสียเวลากับโรงเรียนเราเนี่ยก็ให้เขาเรียนรู้อะไรดีๆหน่อยหนึ่งสร้างภูมิคุ้มกันให้เขาเพราะโลกใบนี้เนี่ยสังคมสมัยใหม่นี่มันยิ่งมามันยิ่งเคี่ยวยิ่งแข่งขันกันมากขึ้น นะมันเป็นยุคทุนนิยมนะใครมีทุนมากกว่าคนนั้นด้นได้เปรียกเรา ป, ประเทศเล็กๆ ล, ลงทุนโดยไปกู้หนี้ยืมสินเสียดอกเบีย้ยต้นทุนเราก็สูงกว่ามันละเขาลงทุนโดยเขาได้ดอกเบีย้ยเราจะอะไรไปสู้กับเขากลับมาฟังในหลวงราชการที่เ้าเราเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางลอดเดียวของมนุษ ย, ยชาติไม่ใช่คนจนของมนุษย์ทั้งโลก เพราะโลกใบนี้จะอยู่ไม่ได้แล้วเราใช้จ่ายฟุ้งเ ฟ, งฟ้อฟุ่มเฟือยสมัย พ, พ่อคูเป็นเด็กๆนะปู่มีโรงสีใหญ่เจดโรงในอุบลนะคนงานไปส่งข้าวกระสอบหนึ่งรกิโลนะ่มันใส่ในหลังจักรยานได้สองกระสอบนะจักรยานทุกวันนี้ใส่ได้ไหมกระสอบหนึ่งใส่ได้ไม่ร้อยกิโลรนะับรองว่าล้อมันกอเลย คนโบราณเขาผลิตมาใช้ทุกวันนี้มันผลิตมาขายถ้าทนมันก็ไม่ได้ขายรุ่นใหม่มือถือมันกันปุ๊บกดทิ้งสุดท้ายก็กลายเป็นขยะสารพิษหมดนี่คือความเข้าใจผิดของมนุษย์ขยะสารพิษล้นโลกโลกครคภัยไข้เจ็บที่ไม่เคยเกิดมันเกิดขึ้นมาแล้วนะไม่ว่าอ e ีโบล่าต่อไปอ e ีดำอีแดงมันตามมาหมดแล้วพวกเราอยู่ยากนะเพราะมันคิดแต่เอาจะได้ มันไม่ได้มาผิดให้ให้ใช้มันผลิตมาขายคนทุกวันนี้ยิ่งมายิ่งไม่เก่งมันเก่งได้ยังไงจักรยานไม่ระวังล้มเพุ่มันก็พังแล้วไงจักรยานสมัยก่อนเนี่เขาขนที่หนึ่งสองสารอกิโลเขาถีบเฉยละใช้เป็นสิบสิบปีนั่นหละคนโบราณเขามีสำนึกแต่คนยุควันนี้มีแค่ความรู้ผิดรู้ว่าได้ก็ดีเสียไม่ดีไง เขาว่าเขาฉลาดนะแต่เป็นการสร้างกำหนักนะเป็นความโง่เขาโอเคนะช่วงนี้พ่อครกูก็ใช้เวลาทุกคนนะ่ยพอสมควรแล้วก็เหลือเวลาสิบห้นาทีเราเข้าห้องน้ํากันแล้วก็มาเหวียงเต็มที่นะชั่วโมงเวียงนี่เป็นชั่วโมงสุดท้ายของคุณครูแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็กลับบ้านแล้วปล่อยเต็มที่เลยไม่ต้องห่วงพ่อครูอยู่ที่นี่ถ้าเป็นอะไรมาเดี๋ยวพระครูจัดงานศพให้ What? <laughs>